วันนี้หลวงพ่อตั้งชื่อเนาะเพื่อเพิ่มทุกในปัจจุบันชาตินี้ธรรมาขั้นสูงทั้งหมดแลยหลว่า<ะ>ไม่มีเอาภาคปฏิยัติที่รู้มาก็มาปฏิบัติเลยเขาเรียกเนี่ตอนเนี้ยห้องเนี้ยคือเป็นภาคปฏิบัติแต่อาศัยว่าที่เราพูดเนี่ยก็คือชี้บอกนะเพราะะฉนั้นเราจะไม่เน้นเรื่องภาคปฏิบัติก็มีอันนี้เข้าเรื่องเลยนะ <laughs> เออพอดีเมื่อเช้านะหลังจากกลับจากดินทบาท อืหลวงพ่อก็มีเวลาอามีเวลาที่จะเดินเดินรีแล็กหรือว่าเดินอะไรก็แล้วแต่รอบสะนะะค่ซึ่งเขาเรียกว่าเดินก่อนที่จะจะได้เวลาฉันอืันนี้ระหว่างที่เดินก็มีมีโยแม่ชีท่านหนึ่งนะเนาะก็สนุกเขาเรียกว่าสนิทมาคุ้นนั่นแหละเพราะว่าโยแม่ชีก็บวชมาหลายพรรษาอยู่ก็เป็นผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติธรรมก็เลยมาหา ห, หลวงพ่อว่า อ, อช่วงนี้ยมันก็เป็นช่วงฤ ด, ดูการออกพรรษานะแล้วก็จะไปอยู่สำนักปฏิบัติสักที่หนึ่งนะโอเคก็หลวงพ่อรู้จักนะว่าสำนักที่ว่านี้เพราะว่าโยมไม่ชีก็บอกชื่อแต่ว่าหลวงพ่อไม่ไม่ขอบอกชื่อ <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าเนี่ยจะลองไปอยู่ปฏิบัติที่สำนักนั้นสักสักหน่อยนึ่งสักพักหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าเข้มข้นมากเนาะเข้มข้นคือไม่ปล่อย ไม่ปล่อยให้ญาติโยมที่ไปปฏิบัติเนี่ยทําตามอำําเภอใจจะต้องอยู่ในกฎระเบียบหมายถึงว่าเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเวลาเลิกอะไรก็ว่ากันไปบบใช่เข้มข้นมากเป็นวิัย<อ>ที่เข้มข้นเนาะทีนี้แม่ชีก็ว่าเออมันจะดีไหมมันยังไงไหมนะผมก็ก็พูดแต่ว่าจริงๆรอ่ ะ, อะการอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หลักของเราปฏิบัติก็คือรู้กายรู้ใจ เราอยู่สุขสติเราก็อมีสติเนาะฝึกสติให้รู้กายรู้ใจแล้วพอเราไปอยู่ที่นั่นมันก็ยังรู้กายรู้ใจเท่าเดิมน ะ, อะพอคุยกันอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้หลวงพ่อก็พูดถึงว่าจริงๆร่ะคนเราเนี่ยมันลืมไปอย่างนึงนะหมายความว่ามีแต่เอาตัวเราเนี่ยมุ่งที่จะไปปฏิบัติเนาะเอาตัวเราเนี่ยมุ่งที่จะไปฝึกสติแต่ลืมรู้ไปว่าไอตัวผู้ปฏิบัติหรือว่าไอตัวที่จะไปอ่ะ จริงๆอ่ะมันคือสังขารมันคือขันห้านะมันไม่ใช่ตัวเรานะทีนี้ถ้าเห็นรู้สึกตัวขึ้นมาว่าโอ้โไอ teens, ผู้จะไปเนี่ยมันคือสังขารคือระลึกได้คือรู้สึกตัวขั้นสุดยอดขึ้นมาว่าไอตัวที่จะไปน่ยไอตัวที่คิดจะไปเนี่ยนี่คือสังขารทีนี้ถ้าเราไม่เห็นว่าไอตัวนี้เป็นสังขารมันเข้าเท่ากับว่ามีเรามีเราแบบไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีเรา แล้วเราก็จะไปที่นั่นไปที่นี่แล้วเราก็จะไปเจริญสติแล้วเราก็จะไปปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็ชี้ตรงฟันเปรี่ยงไปเลยบอกว่าตอนนี้รู้สึกตัวไหมว่ามันมีตัวเราผู้จะไปอยู่ไม่ทีรู้สึกตาสว่างเนาะร่องเลยแบบโอ้่งเลยเหมือนกับว่ารู้ทันตามที่หลวงพ่อชี้บอกว่าอ๋อหลวงพ่อชี้บอกว่าเนี่ยคนรอมันขาดความรู้สึกตัวไม่รู้ตัว มีตัวขึ้นมาแล้วยังไม่รู้อ่ะพอหลวงพ่อบอกเปรี่ยนตัวไปเลยบอกเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องรู้สึกตัวในปัจจุบันแล้วก็รู้ว่าตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวที่กําลังยืนกําลังคุยแล้วตัวที่คิดจะไปเนี่ยตัวเนี้มันเป็นสังขารปล่อยทิ้งมันแทะเมื่อปล่อยทิ้งตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยว่างแล้วว่างเปล่าว่างเปล่าจากความเป็นตัวเพราะว่าตื่นเต็มที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะอยู่ก็ไม่ใช่เราอยู่ ถึงจะไปก็ไม่ใช่เราไปถ้าไม่รู้สึกตัวไม่เห็นอย่างเนี้ยมันก็เป็นเราบันยังค่ําเพราะฉะนั้นการที่ตื่นตัวฉับพลันแบบเนี้ยมันจะสลัดความเป็นตัวตนออกแล้วก็เข้าสู่ความไม่มีไม่เป็นอะไรไในที่เรารู้สึกแบบผลว่อเห็นเลยนะบางรู้สึกว่าแบบตื่นมากเลยนะแบบแล้วก็บอกอานุาพอันส <c oughs> ั้นอะไรเนี่ยนะว่า <c oughs> แค่นี้แหละธรรมะเนี่ยเพราะนั้นบางทีเวลาเราคุยกันเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ย คือมันยังรู้สึกตัวไม่ถึงตัวมันเอาเราเนี่ยเป็นผู้รู้สึกตัวแต่ถ้ารู้สึกตัวถึงตัวเหมือนที่หลวงพ่อชี้บอกเนี่ยมันจะฉับพันเลยหลุดเพลาะเลยความเป็นอัตตาความเป็นตัวตนเนี่ยมันมันไม่มีเหลือเลยอตรงนี้แหละเนี่ยที่หลวงพ่อมาเข้าห้องนี้ก็เพื่อต้องการให้พวกเราเนี่ยได้ตื่นรู้นะตื่นรู้ในฉับพันนะ ก็หมายถึงว่าบางทีเนี่ยเอาให้โยมขึ้นมาบนเวทีบ้างนะบนเวทีคือมาพูดมาเล่านะบางคนก็เราก็หลวงพ่อก็ปล่อยให้พูดไปก่อนเพราะว่ามันเป็นโอเคแต่เป็นวิถีที่เราจะต้องต้องพูดไปแต่บางทีหลวงพ่อไม่รู้อะไรก็มันผุดขึ้นมาแบบตกพายเลยเปรี้ยงมาเลยให้รู้ว่าเป็นตัวตนให้รู้ว่ามีตัวเราแต่บางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจแต่หลวงพ่อเชื่อมั่นว่าถ้าติดตามเนาะแล้วก็ฟัง ฟังคนอื่นบ้างฟังหลวงพ่อบ้างหมือนว่าฟังคนอื่นคนที่มีประสบการณ์ในการตื่นรู้แล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเรื่อยๆเข้าใจเรื่อยๆทีนี้ถ้าผู้ใดนะมีความเข้าใจนะรู้สึกตัวแบบชาพันแบบเนี้ยให้ใช้ตัวนี้แหละในการดําเนินชีวิตคือการติดจอดในเรื่องนี้เลยคือให้รู้ตัวแบบแบบที่รู้ตัวเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ให้มั น, น, นํานาญให้มันชํานาญแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะตนทุกข์ในปัจจุบันขณะเลยเป็นขณะเป็นขณะ อืมธรรมะเด็ดค่ะค่ะก็สวัสดีออเดียนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะวันนี้นะคะหัวข้อออหัวข้ที่ผมพ่อจะพูดกหนนะคะก็คือเพื่อคนทุกในปัจจุบันชาตินี้เลยค่ะไม่ลงชาติไหนค่ะปัจจุบันนะปัจจุบันชาเออเรื้บาดนเดียวนี้นะบัดนาวก็ลองก็ลองหงเกตนะเวลาหลวงอย่างบางทีที่ที่โยมบางคนขึ้นมาเนาะวันก่อนใครอ่า ที่ถามเรื่องอคือจะมีอารมณ์เศร้าเนาะคือคิดไม่ดีอะคิดไม่ดีคิดเอตำหนิพ่อแม่บุพการีแล้วก็รู้สึกผิดอ่าแล้วก็บอกว่าจิตเศร้าหมองคือตรงเนี้โอเคแหละมันเป็นผลอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่ามันคือยังไม่รู้แจ้งในสังขารเนานะยังไม่รู้แจ้งว่าจริงๆริงมันมีแต่สังขารความคิดก็เป็นสังขาร แล้วก็ตัวเราเองทั้งตัวมันก็คือสังขารพ่อแม่ทั้งตัวก็เป็นสังขารอะไรก็เป็นสังขารหมดแต่มันขาดความรู้ตัวนี้ไปพอขาดความรู้ตัวนี้มันก็เป็นความหลงผิดเข้าไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันต้องแก้ที่เหตุแต่ถ้าแก้ที่เหตุหมายความว่าแบบแก้ที่เหตุชนิดที่แบบถอนรากถอนโคนเลยเนี่ยมันจะต้องกลับมารู้สึกตัวเพื่อให้รู้ว่าไอ้ตัวเนี่ย มันเป็นสังขารจริงๆมันไม่ใช่เราอ่าแต่ถ้ารู้สึกตัวในเบื้องต้นเนี่ยโอเคก็เอาตัวเราไปรู้ก่อนแต่เมื่อถอนรากถอนคนเนี่ยต้องรู้สึกตัวแล้วก็เมื่อรู้สึกตัวเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสลัดสลัดออกว่าจริงๆมันไม่มีตัวก็เหมือนกับเรื่องของแม่ชีใช่ไหมของโยมแม่ชีชแม่ชีทําไมอ่ะพอลืมตัวพอลืมตัวเสร็จแล้วก็เอาตัวไป ไปน่นไปนี่จะไปปฏิบัติที่นู่นที่นี่ใช่ไหมเออแล้วก็มาหาฤาหลวงพ่อมาหาฤาหลวงพ่อก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าผู้หาือคือสังขารก็เลยเป็นตัวตนแบบไม่รู้ตัวเนี่ยตรงนี้คําไฮไลท์นะเป็นตัวตนแบบไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้ามันมีตัวตนแล้วถ้ายังไม่รู้ตัวมันก็ยังเป็นตัวตนอยู่ร่ําไปต่อให้จะมีความเพียรในการปฏิบัติสักเท่าไหร่ก็าตามอดหลับอดนอนแบบอุปฤติเต็มที่ แต่ถ้ายังไม่รู้สึกตัวว่ามีตัวก็ยังเป็นความหลงอยู่ยังเป็นความเข้าใจผิดอยู่เข้าใจผิดคื อ, อยังมีตัวแต่ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยที่นั่งอยู่นะบางทีมีตัวต้วนนะแต่ยังไม่รู้นะเนี่ยเพราะว่าอะไรก็คือ ก, ก็ไม่รู้ไงจนกว่ า, า จ, จะรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้เนี่ยมันหลงไปยึดถือเป็นตัวเป็นตเ น, ตนเนี่ยอย่างนี้ถ้ากลับว่ารู้ตัวแล้ว แล้วแต่ยังไงก็ตามนะขนาดนี้นี่ยถ้าหลวงก็ยังไม่ชี้บอกนะยังรู้สึกว่าไม่รู้ตัวหรอว่าเราเรามีตัวตนหรือไม่มีแต่ส่วนมากก็บอกว่าเนี่ยเราไม่มีตัวตนแล้วเราไม่มีตัวตนไอเราไม่มีตัวตนนั่นแหละนั่นแหละตัวตัวเราไอตัวที่พูดนั่นแหละนั่นแหละตัวตนเออมันเป็นอย่างนั้นไปนั่นต้อค่อยๆฟังนะแล้วก็ถ้าเข้าใจตรงเนี้ยรูปแบบการปฏิบัติจะมีหรือไม่ก็ไม่เห็นแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่า จะอยู่ตรงไหนก็รู้ตัวเป็นนะจะเดินจะนั่งก็รู้ตัวเป็นรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวว่าตัวเนี้ยมันคือสังขารแล้วก็ทิ้งให้หมดเลยพอทิ้งก็คือเท่ากับปล่อยวางพอปล่อยวางก็คือหมดแล้วเออหมดแล้วเพราะว่ามันมันหมดไงพอปล่อยวางว่าพรธเจ้าสอนเรื่องปล่อยวางแลนะพอหมดปล่อยวางจากขาน่าไม่อุปทานในขาน่าก็คือนั่นแหละคือที่ตัวแ่งทุกข์ทุกข์ไป ก็กลับมารู้ตัวให้เป็นนะทีนี้ก็มาฝึกกันแหละทำไมหลวงพ่อมาฝึกก็ก็เพื่อให้รู้ตัวรู้ตัวแต่บางทีควารู้ตัวมันก็ง่ายนะสมมติว่ารู้ตัวแต่ว่ามันบางทีรู้ตัวมันมันไม่มีปัญญาเนาะแต่ว่าเนี่ยรู้ตัวแล้วแต่ว่ามันยังเป็นเรารู้ตัวเราออมันไม่เป็นปัญญาแต่ถ้าฝึกอีกหน่อยเลื่อนเลื่อนชั้นขึ้นมาว่าอ๋อไอ้รู้ตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามารู้ตัวเรา แต่มันเป็นการตื่นรู้สับพันก็เรียกว่าตื่นรู้อย่างพุท ธ, ธะแล้วก็มารู้ตัวตัวเองเนี่ยว่าออกําลังพูดกําลังคิดกําลังกโกรธกําลังคุยกําลังมีข้อสงสัยกําลังปฏิบัติธรรมกําลังจะไปปฏิบัติที่นู่นที่นี่นะหรือว่ากําลังจะ จะไปห้องข่าบห้องโน้นห้องนี้เนี่ยให้รู้ตัวเนี้ยไอตั ว, ตวที่จะไปอะไอตัวท <laughs> <ๆ>ี่จะไปพอรู้เสร็จแล้วก็อ๋อมันเป็นสังขารพอเป็นสังขารเสร็จแล้วก็ตัวเราไม่มีตัวเราเราไม่มีไม่มีเป็นผู้มาไม่มีเป็นผู้ไปไม่มีเป็นผู้ตั้งอยู่ไม่มีอะไรมีแต่ส <laughs> ังขารที่มันไปมันมาอยู่บนความไม่มีเนี <laughs> ่ยค่ะก็ยกเป็นชีวิตประจวันก็ได้บางทีเราไปเจอเหตุการณ์อะไรหรือว่า บางทีเราทาอะไรทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็นี่ยค่ะสอนเราไม่ต้องแบบว่าจะต้องแบบมานั่งเรียนหรืออะไรขนาเนี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตประจําวันที่เราได้เจอเนี่ยค่ะนะคะเป็นเป็นบทเรียนให้เราอะนะคะนี้โยมมาลองทบทวนตัวเองก็ได้เนาะลองทบทวนอาจจะเหตุการณ์ที่มันเพิ่งผ่านไปเนี่ยอย่างสมมติว่าโยมไปนนักปฏิบัตินเนะพอตื่นมาปั๊บเริ่มแล้วสิเนาะ ตัวเนี้ยก็คือคือมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่านักปฏิบัติเนี่ยก็ต้องต้องต้องเป็นอย่างนั้นแหละคือมีมพฤติกรรมที่จะเออรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนาะก็มันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นนิสัยไปแล้วนะแต่ทีเนี้ลองดูลึกๆเนี่ยเรามาดูในมุมกว้างก็จะรู้เลยว่าอ๋อยังมีเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่อั น, นี่มองในมุมกว้างถ้าไม่มองในมุมกว้างมันจะไม่เห็นต้องมองในมุมกว้างว่า ไอ้ตัวเราเนี่ยที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยตัวเราจะทำอย่างนั้นตัวเราจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ปรารถนาอยากจะพ้นทุกอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะให้มีปัญญาอยากจะให้มีสติอยากจะให้มีสมาธิอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเนี่ยพวกนี้จับอยู่ในเรื่องของตัวเราหมดเลยเพราะว่าถ้าไม่มีตัวเราเนี่ยมันจะไม่มีอาการแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนความเข้าใจผิดเปลี่ยนจากความเข้าใจผิดให้เป็นความเข้าใจถูกเสียว่า พฤติกรรมแบบนั้นเน่ะทั้งหมดทั้งสิ้นมันคือสังขารนะเพราะมันมีแต่สังขารเท่านั้นแหละที่ทอปรากฏขึ้นแล้วก็หมดไปนะแต่ถ้าเราไม่ไม่มีปัญญาไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมแบบนั้นเน่ะมันเป็นสังขารมันก็ไม่รู้จะพ้นจากสังขารนะแต่ถ้ามีความเข้าใจนะมองในมุมกว้างภาพกว้างว่าอ๋อตั้งแต่เช้ามาจนถึงบัดนี้เนี่ยที่มีการพฤติกรรมทําอย่างนั้นอย่างนี้ มันเป็นสังขารทั้งหมดเลยไม่ใช่เราเพราะเรา ม, ม, มันไม่มีไงมันที่มีเร า, ามีแต่สังขารเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเข้าใจเลยว่าสังขารที่มันมีพฤติกรรมอย่างนั้นเน่ะก็ห้ามไม่ได้เนาะเพราะมันเกิดแล้วหรือว่ามันกําลังจะเกิดห้ามไม่ได้แต่ใช่ปัญญาอย่างเดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่กําลังปรากฏหรือว่าที่ดับไปแล้วเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งหมดอ่ารวมถึงที่จะเกิดภายในอนาคตด้วยมันก็เป็นสังขารทั้งหมด เมื่อเข้าใจอดีตว่าเป็นสังขารปัจจุบันก็เป็นสังขารอนาคตก็เป็นสังขารเนี่ยถ้าเข้าใจรอบสามการเนี่ยเออมันก็จะรู้เลยว่าไม่มีเราทั้งอดีตปัจจุบันและก็อนาคตนี่ได้สังขารจริงๆเพราะฉะนั้นการหลุดพ้นการเเข้าถึงธรรมะเนี่ยก็คือเนี่ยคือปัญญาปัญญารอบรู้ในกองสังสารแต่ปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ก็คือเนี่ยรู้ อดีตรัวนะก็รู้ปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นสังขารที่อยู่ใกล้อยู่ไกลสังขารที่มีความละเอียดหรือหยาบหรือปราณีขนาดไหนมันก็เป็นสังขารทั้งหมดเห็นไหมถ้าโยอมเข้าใจแบบนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นคือเขาเรียกว่าทําให้ไม่หลงนะไม่หลงไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนนะเพราะฉะนั้นในคําว่าสังขารเนี่ยหลวงพ่อก็ใช้มากเลยเพราะว่ามันเป็นคํารู้สึกว่ามันง่ายดีนะเพอะทุกอย่างก็เป็นสังขารทุกอย่างเป็นสังขารหมด ที่มันปรากฏเนี่ยเป็นภาพรวมเลยว่าทุกอย่างเป็นสังขารหมดนอกจากสังขารคือไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยก็จะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นนะพออะไรเกิดขึ้นรู้แล้วก็คือสังขารแค่เนี้ยก็ตัวเราไม่มีเดินปัญญาแบบเนี้ยเดินไปพร้อมกับการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันแหละเห็นไหมทํากิจกรรมเนี่ยโยมจะซักผ้ามันก็คือสังขารเห็นแม่ร่างกายก็เป็นสังขารการเคลื่อนไหวก็เป็นสังขาร ความรู้สึกนึกคิดในขณะทักผ้ามันจะคิดอะไรก็แล้วแต่มันก็คือสังขารความสงบความเบาสบายมันก็คือสังขารความรังเรสงสัยก็สังขารรวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นสังขารทั้งหมดเลยอ่าทีนี้แบบเนี้ยต่อให้ยอมฟังฟังแล้วเกิดข้อสงสัยนาะก็คือสังขารอีกแล้วพอขึ้นมาถามอีกก็สังขารอีกฟังแล้วไม่เข้าใจ ก็เป็นสังขารทีฟังแล้วเข้าใจก็เป็นสังขารฟังแล้วได้รับคำตอบมาไม่ถูกใจเลยมันก็เป็นสังขารหรือฟังแล้วถูกใจมากเลยมันก็เป็นสังขารอ่าก็เป็นสังขารหมดเลยแค่นี้บางคนอาจจะยังงงเอ๊ะทำไมฟังอะไรก็สังขารขึ้นมาก็สังขารฟังแล้วเข้าใจก็ยังสังขารอยู่ก็เตือนเชิญขึ้นมาคุยกันได้นะคะ ก็สวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับกาบประมาสการครับหลวงพอ่อค่ะเชิญค่ะกาบรมาการหลวงพ่อด้วยนะครับอ่าโอเคจะริยนพ่อเองอ่ามม่ทงพ่ออยู่วัดไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่วัดป่าสุขโตเคยได้ยินนะจังหวัดชายภูมิวัาชายภูมิวัดชายภูมิมที่ทํางวู่แดงอ๋อแกงครอแกงครอ อ๋อเก่งพอใช่ไหมครับขอบคุณ ม, ม, มี่เมื่อี้ได้ได้ได้ได้ฟังหลวงพ่ออ่บญญญาบรรยายธรามมาครับก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกโอเคมากเลยครับอื้โอเคมากเลยเรื่องขันห้าสติในขันห้าใช่ไหมครับหลวงพ่ออืมอืมคำขันห้ากับสังขารนี่คืออันเดียวกันนะเออข้าใจง่ายๆเลยเพราะว่าขันห้าตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทั้งหมดเนี้ยคือ รวมเรียกว่าสังขาร น, นะคือมันเป็นความหมายที่ที่กว้างครอบคลุมทั้งหมดเลยมันจะง่ในการสื่อสารครอบคลุมทั้งขันห้าเลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าในขันห้าเนี่ยมันมีคือคำว่าสังขารอยู่ตัวหนึ่งตั้งแต่นะนะรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณสังขารในขันห้าเนี่ยคือเป็นความรู้สึกนึกคิดซึ่งมันเป็นเป็นความหมายที่แคบแต่มันก็เป็นขันขันหนึ่งในขันห้าแต่ค่าสังขารในความหมายที่กว้างนี่หมายความว่ามันครอบคลุม คือข้อคุ้มยังไงคือร่างกายก็เป็นสังขารจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เป็นสังขารคือมันเป็นความหมายที่กว้างนะนะแล้วนอกจากสังขารที่ที่มีอยู่ในขันห้าแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่นอกตัวเราทั้งหมดเลยสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่มีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นดิน <S <S เป็นภูเ ข, ขาเป็นดวงอาทิตย์เป็นระบบสุสริยะจั ก, กรวาลทั้งหมดทั้งสิ้น น, <S <S <bola> นี้ก็จัดเป็นสังขารทั้งหมดนะทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจ ง, าง่ายก็คือสังขารคือสิ่งที่มี <S <S สิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ได้ มันก็จะง่ายในการที่จะเข้าใจคําว่าสังขารโอเคนะ่าเข้าใจตรงนี้นะครับผมพ่ก็ยาจะกราบเรียนถามหลว่อหนครับเกี่ยวกับรืง่งประวันั้นผมเ่อเรื่สติครับเจรื่สติในอสติปัฏฐานเนะครับเกี่ยวกับกายดูกายดูจิตดูเรื่อยเรื่อยแล้วแล้วจิตมันวัยมากมันแบบซุ่มตัวได้ประมาณสามสี่วันคือเราทํำไรเราจะรู้แบบเราคิกว่าเราบรรลุแล้วครับ คิดไปเองว่าเราบรรลุแล้วแล้วหลังจากนั้นแล้วจิตเราที่แบบไปไปรับรู้คือมีอะไรมากระทบเราก็รู้นะจิตก็รู้กายก็รู้อะไรเงี้ยครับมันก็ค่อยๆเสื่อมลงทรงลงไปอ่ครับเราเดียวอ๋อเราคิดไปเองอะไรเงี้ยครับแม่ที่ไรครับลวงพอรรอ๋อก็หลวงพ่อจะใช้คําว่าตอนที่นั่นแหละตามเหตุการณ์ในขณะปัจจุบนนันนั้นๆนะเนะขาเรียกว่ามันแสดงความเป็นใจรัก แสดงความเป็นความแปรปลวนความไม่เที่ยงแท้ความไม่แน่นอนมันแสดงไรลักษณ์ชนิดที่แบบว่าโอ้โ ห, โหเห็นแจ้งเลยว่าเนี่ยมันไม่คงที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่งนั้นแต่ถ้ามาอยู่กับปัจจุบนันเห็นไหมอาการเหล่านั้นเนี่ยไม่มีแล้วตรงเนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่าสิ่งนั้นที่เกิดแล้วก็ดับแล้วเห็นไหมใช่ <c oughs> ตรงนี้เข้าใจเนาะแต่ที่สิ่งที่ยังไม่ดับก็คือมีตัวเรายังไม่ดับ เพราะยังไม่เห็นตัวเราตัวเราคนไหนตัวเราก็คนคนที่ที่ไปรู้ไปรู้อย่างที่เล่าเมื่อกี้อนะไปรู้แล้วก็เนี่ยมาเล่าหลวงพ่อฟังไอ้ตัวเนี้ยยังไม่เห็นเพราะมันยังไม่เห็นมันเหมือนกับว่ามันยังอยู่มันยังไม่ดับนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวในปัจจุบันเนี่ยก็จะรู้เลยว่าไอ้ตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือสังขารเหมือนกันรู้สึกตัวได้ไหมตัวเราที่เป็นผู้รู้ ไอ้ตัวนี้ก็เป็นสังขารครให้เราที่มันอยู่ที่ตรงนี้นะรู้สึกตัวคือรู้ตัวเราในปัจจุบันว่าตัวเราที่เป็นผู้รู้เหตุการณ์ตามที่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นสังขารเกิดตายเหมือนกันตัวรู้ตัวนั้นก็คือตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นรู้ตัวเราตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็ปล่อยวางตัวเราซให้หมดคือรู้ว่ายึดถือไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงเหมือนกัน ครับผมแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจกนรอบข้า ง, ะะงเท่าไรเละครับหลวงพ่อคนรอบข้างนี่คือแบบมีสองประเภทนะครับคือประเภทหนึ่งคือแบบไม่ยากเกิดแล้วเงยทุกข์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็อยากเกิดต่อไปผมมองว่า2ประเภทนี้นเหมือนประเภทหนึ่งก็คือการโหนเข้ามาอีประเภทหนึ่งคือการพักออกไปพักออกไปคือไม่ยากเกิดแล้วแต่มันเรายังไม่ได้ดับกี่เดชเราเราก็าต้องเกิดใช่ไหมครับหลวงพ่อ ทนี้การไม่เกิดต้องเห็นถูกต้องก่อนว่าสิ่งที่เกิดมาไม่ใช่เราสิ่งที่เกิดมาเมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องขันห้าคุยแต่เรื่องสังขารขันสามไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกสังขารเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเรามีแต่สังขารแต่ถ้าหลงผิดไปคิดว่าเข้าใจว่ามีตัวเราอย่างเนี้ย เข้าใจไม่ถูกเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ว่ามีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็สังขารเท่านั้นที่ดับไปตัวเราที่เป็นผู้พูดเนี้ยก็คือสังขารตัวเราเดี๋ยวนี้ที่กำลังคุยกับหลวงพ่อเนี่ยให้รู้ให้รู้ตัวนี้ให้รู้ให้เห็นตัวนี้เลยในปัจจุบันว่าตัวนี้คือสังขารไม่ใช่ตัวเราแล้วก็สังขา น, นี้เกิดมาแล้วเนี่ยต้องแก่เจ็บตายไปคือดับไปหมดไปถอนความเห็นผิด เห็นผิดจากเห็นว่าเป็นเราให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรามันคือสังขารที่เกิดดับยึดถือไม่ได้ทิ้งมันลงเสียเดี๋ยวนี้ครับผมก็ก็ก็เข้าใจก็เข้าใจระดับหนึ่งครับก็เข้าใจระดับหนึ่งนะโอเคก็ถือว่าดีแล้วที่ได้เข้าใจเนาะเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าความเข้าใจก็เป็นสังขาร <mister ius> เพราะฉะนั้นที่เข้าใจอย่างที่ที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่เข้าใจอันนี้ก็เป็นสังขารเพราะว่าความเข้าใจเนี้ยไม่เท <Harry> <academy> <K> ี่ยงเดี๋ยวก็ทำโน่นทํานี่ความเข้าใจก็หายไปหรืออาจจะความไม่เข้าใจเกิดขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นความเข้าใจกับความไม่เข้าใจเดี๋ยวมันก็สลับหน้าเพราะฉะนั้นเราที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็เป็นสังขารเกิดดับไม่ใช่เราเป็นผู้เข้าใจและก็ไม่ใช่เราเป็นผู้ไม่เข้าใจมีแต่สังขารเท่านั้นที่มันมีลักษณะอย่างนั้น ถอนความเห็นผิดเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็จะทาให้ mm. เขาเรียกว่า mm. เกิดสติปัญญานะ mm. เกิดสติปัญญาแบบแบบก้าวกระโดดเลยไม่ต้องมีอะไรขั้นตอนยุ่งยากมากมาย mm. เพียงแต่รู้ทันนะรู้ทันอะไรรู้ทันตัวเองที่กำลังพูดกำลังคิดว่าเนี่ยผู้นี้สิ่งนี้คือสังขารเกิดดับไม่ต้องไปรู้ทันตัว อ, อื่นเราเอารู้ทันเฉพาะหน้าตอนนี้ที่หลวงพ่อกำลังชี้บอก เนาะว่าเนี่ยที่ขึ้นมาคุยกับหลวงพ่อเนี่ยอันนี้ยสังขารทั้งตัวเลยเพราะมันเป็นรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นสังขารไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นรู้ตัวที่ก็บอกว่าให้รู้ตัวให้รู้สึกตัวก็คือให้รู้ตัวนี้แหละตัวสังขารที่กําลังพูดกําลังถามกําลังที่ปรากฏรู้ตัวในปัจจุบันรู้แล้ววางลงการรู้ตัวนี้คือสติใช่ไหมครับหลวงพอ่อก็ทั้งสติแล้วก็ปัญญา สติสมาธิปัญญาอยู่ครบหมดเลยขณะที่รู้ตัวที่ถูกต้องแต่ใหม่ๆ ม, ม, มันแค่มีแค่สติอย่างเดียวคือแค่ระลึกได้ว่าอ๋อมีตัวมีขันอนี่ให้เราแต่ถ้านะพอหลวงพ่อชี้บอกอย่างเนี้ยเข้าใจรวบยอดเลยว่าตัวที่ถามหลวงพ่อเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสังขารคือเข้าใจรวบยอดเลยตรงนี้เป็นทั้งสติสมาธิและปัญญาในขณะจิต มันก็เป็นครบเดียวนะเออให้ฟังหลวงพ่อแบบตรงที่หลวงพ่อชี้นะพอถามปั๊บให้รู้ทันว่าอ๋อสังขารเกิดแล้วแล้วก็ระหว่างที่ฟังหลวงพ่อนั่งเงียบเงียบอยู่ก็จะรู้นะว่าก็ยังมีตัวเนี่ยตัวเราอะตัวตัวสังขารที่กําลังนั่งฟังอยู่ก็ให้เห็นอยู่ว่าในตัวนั่งฟังก็เป็นสังขารหรือที่กําลังคิดเพื่อให้เข้าใจมันก็เป็นสังขารกติดจดจ่ออยู่ตรงนี้เนาะไม่คลาดเคลื่อนไม่ส่งจิตออกนอก ไปเพื่อที่จะไปรู้เหตุการณ์อดีตนะครตรงนั้นวางไว้เลยแค่กลับมารู้สึกตัวในปัจจุบันมันก็วางสิ่งที่อยู่นอกตัวทั้งหมดได้มันวางโดยอัตโนมัติเพราะว่ากลับมารู้ตัวพอรู้ตัวเสร็จแล้วก็เห็นว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นสังขารสังขารสังขา ร, ขารมีแต่สังขารครับผมอขอกราบเรียนหลวงพ่ออีคําถามหนึ่งได้ไหมครับ ว่ามามก็ผมไปอ่านเจอในอาปจิมาโอวานะครับของพระเบรมศาสด า, าสัมมาสัมพุทธเจ้าครับที่ท่านบอกว่าหัตถานี้พิก เ, กอเวออมันตยามิโวเวยธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเทนะสัมปาเทถาติดูก่อนพิสุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขาร ต้องมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเชือทั้งหลายจงย่างประโยชน์ตัวเองและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงขอมด้วยความไม่ประมาทเทือความไม่ประมาทนะครับที่ท่านเตือนเนี่ยที่เป็นคําพูดสุดท้ายของพระเจ้าครับที่ท่านเตือนเราเตือนโลกเตือนสามโลกคําว่าไม่ประมาทเนี่ยคืออะไรครับมับนมีความหมายหลายอย่างนะแต่ว่าหลวงพ่อจะย่ อ, ยอๆถ้าขาสติคือประมาท ถ้ามีสติคือไม่ประมาทแต่หลวงพ่อก็จะชี้อย่างนี้ว่าสิ่งที่โยมได้ยกนะคำพุทธพจน์เนี่ยเป็นคำของสถาคตเนาะพ อ, อมาอ่านนี่คือพระพุทธเจ้าท่านเตือนนะท่านเตือนท่านบอกเพื่อให้เนี่ยที่เรียกว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยเนาะจงพึงสำเนียกพึงรู้ไว้ว่ามีแต่สังขารเท่านั้น ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ตอนนี้มีตัวเราเป็นผู้ยกพุทธภาสิตยกคำของพระพุทธเจ้ามีตัวเราเป็นผู้ยก<ม>เพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทต้องกลับมารู้ตัวเราว่าตัวเราทั้งตัวคือสังขารถ้าไม่รู้สึกตัวนี่เขาเรียกว่าประมาทเพราะฉะนั้นจงไม่ประมาทเถิดเพราะฉะนั้นจงไม่ประมาทเถิดเพราะฉะนั้ น, ะะ น, นต้องคือกลับมารู้สึกตัวว่า ตัวเราทั้งตัวเป็นสังขารอันนี้คือเป็นคำกระ้าให้สอดคล้องกับคําสอนของท่านก็คืออย่างนี้เพื่อประโยชน์ตนก็คือมารู้ตัวเราว่าตัวเรามันเป็นสังขารไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงถ้ารู้อย่างเนี้ก็พ้นทุกได้เมื่อพ้นทุกเสร็จแล้วเข้าใจแบบนี้เสร็จแล้วประโยชน์ท่านก็คือเอาปัญญาที่เข้าใจเนี่ยไปบอกผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าประโยชน์ท่าน เพราะนั้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็คือเนี่ยก็ลักษณะอย่างที่หลวงพ่อว่ามาแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ต้องประโยชน์ตนก่อนให้รู้ว่าตัวเราทั้งตัวที่เป็นผู้คุยกับหลวงพ่อที่เป็นผู้ถามหลวงพ่อนี่คือสังขารไม่เที่ยงนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทิ้งมันเสียคําว่าทิ้งก็คือว่าไม่ไปยึดอ่ะคือรู้แล้วรู้จักแล้วแล้วก็ให้ได้แต่รู้โดยที่ว่าไม่ต้องไปผักใส่ไม่ต้องทําแล้วเพียงได้แต่รู้ว่าสิ่งนี้ยึดไม่ได้ก็แค่นี้ก็พอแล้ว สาธุครับหลวงพอ่อสาธุครับก็ได้สังแล้วก็ได้ได้เข้าใจเลยครับความไม่กระมาน ก, ก็คือการมีสติใช่ไหมครับหลวงพอ่อเนะ อ, อเรามีสติเรามีสติประมาณไหนก็ประมาณไหนก็คือถ้ารู้สึกตัวได้ก็คือมีสติถ้าไม่รู้สึกตัวอันนี้เขาเรียกว่าขาดสติเพราะนั้นต้องเพียนนะเพียนเพื่อที่จะให้มีสติบ่อยๆ อันนี้เขาเรียกว่ากําลังฝึกนะหลวงพ่อก็จะชี้ตรงลงมา ว, ว่าการฝึกสติก็คือรู้ตัวเรานี่แหละเนี่ยคือเป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยทางสายเอกทางสายเดียวที่จะเข้าถึงความหลุดพ้นได้ในปัจจุบันชาตินี้คือรู้ตัวเองรู้สึกตัวรู้สึกตัวเหมือนที่หลวงพ่อชี้ว่าเออให้รู้สึกตัวนะ้ตัวที่นั่งตัวที่ถามนี่นะพอรู้สึกตัวเสร็จแล้ว อ, อ๋อมันก็จะมีสติปัญญา ถึงขั้นที่ว่าไอ้ตัวเรามันคือส <iele> <wrong>? <influence> ังขารตามที pareil, พ่พระพุทธเจ้าท่านบอกเมื่อกี้เนี่ยบอกว่ามีแต่สังขารเท่านั้นทีนี้เมื่อรู้จักว่าเป็นสังขารเท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็มีคําสอนในบทอื่นอีกบอกว่าสิ่งใดเป็นสังขารสิ่งนั้นไม่เที่ยงไ้สิ่งใดเป็นสังขารสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ควรยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เพราะฉนั้นเราก็สิทธาคตเนาะฟังงธขอท่านแล้ว อความทำของท่านเนี่ยมันเป็นเป็นพระธรรมวินัยเป็นภาคปริยัตภาคปฏิบัติก็คือปฏิบัติเดียวนี้ตอนนี้ก็จะเท่ากับว่านี่ตรงเนี้ยกําลังปฏิบัติแล้วแล้วเมื่อปฏิบัติผลเป็นปฏิเวทก็คือว่าเมื่อปล่อยวางแล้วนะเมื่อปฏิบัติแล้วรู้แล้วแล้วก็สิ้นยึดคือไม่ยึดถือมาเป็นตัวเป็นตนนี่เท่ากับว่าเป็นปฏิเวทก็จริงๆนะมันก็อยู่ในครึ่บเดียวนี้แหลนะเนาะ สาธุครับเข้าใจผมว่าใช่ใว่าเราต้องมีสติทุกลมหายใจเข้าออกใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนที่เราจะหายใจเข้ามันก็เป็นอนาคตหลังเราหายใจออกมันก็เป็นอนดีตระ้ ว, ว่างที่เราหายใจเข้าที่หลวงพ่อเคยเคยเคยเอา่านยายมาบอกว่าปัจจุบันนาขณะปัจจุบันนาขณะนี้คือคือลมหายใจเข้าออกใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช่เพราะว่าหมายถึงว่ากําลังฝึกเพื่อเรียนรู้เรื่องลมเนาะว่า ลมเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้สติจะมีหรือไม่มีแต่ลมมันเข้าออกอยู่แล้วเนาะแต่ถ้ามีสติสติก็จะเห็นเห็นว่าในปัจจุบันเนี้ยขณะเมื่อมีลมเข้าสติก็รู้เมื่อมีลมออกสติก็รู้หรือว่าจะหยาบจะละเอียดสติก็รู้เพราะฉะนั้นในตัวสตินี่แหละเขาเรียกว่าต่อไปก็จะทําให้เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าลมเนี้ยมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่กิดตน ทีนี้พอเข้าใจเรื่องลมเนี่ยจริงๆนะถ้าดูลมเนี่ยนะมันก็สามารถสติเนี่ยก็สามารถรับรู้ทางจิตใจได้เหมือนกันเช่นอาจจะมีจิตใจก็อาจจะมีความคิดมีความรู้สึกเนาะแล้วก็สติที่รับรู้ถึงอาการของจิตก็จะเกิดปัญญาว่าแม้กระทั่งจิตก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเหมือนกันคือสติเนี่ยก็จะรู้รอบในกองสังขารจนกระทั่งเขาเรียกว่าปัญญา แต่ปัญญาสูงสุดเมื่อรู้สิ่งใดแล้วไม่ยึดถือสิ่งนั้นปล่อยวางหมดอันเนี้ยคือก็เรียกว่ามีปัญญาแล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใดมันก็เป็นที่สุดแห่งทุกข์คือพ้อนทุกข์ไปเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สติเนาะแล้วก็มีปัญญาแล้วก็มีอะไรมากมายตามมาแต่จุดเริ่มแรกเลยคือสตินะแล้วก็จะเข้าใจเองนะของโยมก็ที่ถามมาทั้งหมดอย่าลืมตัวว่าที่ถามนั่นคือสังขาร ถ้าไม่รู้ตัวมันก็จะมีเราเป็นผู้ถามแต่ถ้ารู้ตัวจะรู้ว่าตัวไม่ใช่เรานี่กลับมาบ่อยๆกลับมาบ่อยๆกลับมารู้ตัวบ่อยๆของโยมมีประโยชน์มากที่ได้คุยในขึ้นมาพูดมาว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเพราะว่าคนอื่นก็จะน้อมเข้ามาใส่ตนและก็จะเข้าใจตามไม่ยา ก, กน้องก็ร่วมทนาด้วยเนะาะถูกนะคะคุณประสิทธิ์ค่ะ พูดถึงเหตุการณ์ล่าสุดก็คือเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าให้ดูคิวอนารค้ลองพินานี่หลวงพ่อชี้บอกแต่มันผ่านไปแล้วเ น, ะนาะขณะที่พวกเราสนใจที่จะไปดูค r c o d ร์คดเนี่ยตรงนี้จะเกิดการลืมตัวขึ้นมาเหตุที่ลืมตัวเพราะว่ามันจะส่งจิตไปรับรู้ที่ QR ว o d e คมันไม่ได้รับรู้ที่กายที่ตัวเราเนาะก็เลยมันลืมไปอ่า ทีนี้ถ้าเกิดการระลึกได้ขึ้นมาว่าเอาเมื่อกี้เราไปดู QR วโค้ดนานเกินไปสมมตินะ น, นะ ก, ก็มันจะก็กลับมารู้ตัวเราว่าอ๋อตัวเราอยู่นี่ q r วโค้ดอยู่ น, นู่นมันอยู่คนละที่กันนะทีนี้พอเป็นอย่างนี้เท่ากับว่าเราก็กำลังเรียนรู้เรื่องการรู้กับการหลงการรู้ก็คือรู้ตัวการหลงคือไม่รู้ตัวแต่ไปรู้สิ่งอื่นที่อยู่นอกตัวแตททท่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ม่ได้หมายความว่า ไม่ให้ไปรู้ข้างนอกการรู้ข้างนอกก็เป็นชีวิตอยู่แล้วซึ่งชีวิตประจำวันมันจะต้องรู้ข้างนอกแต่สิ่งที่ให้เพิ่มเติมคือให้กลับมารู้ข้างในให้เป็นด้วยนะก็กลายเป็นว่าต่อไปก็คือข้างนอกก็รู้ข้างในก็รู้แต่การรู้ข้างนอกมิได้เป็นไปเพื่อความท้นทุกหากแต่ว่าถ้ากลับมารู้ข้างในคือรู้ตัวเราอันนี้คือหนทางพ้นทุกเพราะนั้นคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะรู้แต่ด้านนอก ไม่เคยรู้มาด้านในเพราะตัวที่มันเป็นทุกข์เนี่ยก็คืออยู่ด้านในก็คือร่างกายจิตใจตัวเนี้คือเป็นตัวทุกข์ทุกอย่างไงคือความไม่สบายกายความไม่สบายใจนะทุกข์มันอยู่ที่นี่ทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นหากจะรู้จักทุกข์เข้าใจเรื่องทุกข์แล้วก็พ้นทุกข์ต้องพิจารณาในตัวเราเนี่เนี่คือรู้ตัวแล้วก็ให้เห็นว่า ไอ้ตัวทุกข์ทั้งหมดก็คือร่างกายไอ้ตัวทุกข์ทั้งหมดก็คือจิตใจที่มันมีความแปรปรวนเมื่อรู้ทุกข์นะเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งมันก็จะเข้าใจเรื่องทุกข์และก็ไม่ยึดทุกข์มาเป็นตัวเป็นตนให้เป็นทุกข์อีกให้มันมีทุกข์ชั้นเดียวเช่นเมื่อป่วยเมื่อปวดกายก็เพียงแต่ว่าให้มันปวดของมันแต่ไม่มีผู้ยึดเมื่อไม่มีผู้ยึดผู้ทุกข์ก็ไม่มีเนี่ยเขาเรียกว่าทุกข์ชั้นเดียว ข้ ก, การหลวงพ่อครับคือการปฏิบัติเนี้คือแบบปกติทุกวันคือแบบว่าเหมือนบางครั้งครับภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วแบบเหมือนพอมันหลุดรู้แต่บางครั้งมันก็เหมแบบมันเข้าไปจับลหมหายใจเองเราควรแบบบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าปล่อยตามรู้รู้ตามทั้งสองอย่างไปตามที่แบบจิตมันเลือกเองครับการภาวนาพุโทโธเนี่ยต้อ ง, ต, องต้องรู้เป้าหมายนะ แต่ทีนี้ว่าจุดประสงค์ของการภาวนาพุโทโธเนี่ยมันมีอาจจะสองจุดประสงค์จุดประสงค์แรกก็คือทําเพื่อให้จิตเนี่ยจากที่มันวุ่นวายมันสับสนเนาะให้จิตเนี่ยมีความสงบโดยเอาคําบริกรรมเนี่ยพุโทโธเป็นตัวล่อจิตตัวล่อจิตก็หมายความว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธตอนเนี้มันก็จะมีจิตรู้เนาะจิตมารู้อยู่กับคําว่าพุโทโธพอจิตรู้อยู่กับ คำว่าพุโทโธเสร็จแล้วเนี่ยจิตคิดก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเปลี่ยนมาเป็นจิตรู้รู้อะไรก็คือรู้พุโทโธพุโทโธเป็นที่ตั้งนะเป็นเครื่องรอดจิตเมื่อทำไปนานๆเนี่ยก็จะได้ด้วยตนเองว่าอ๋อจะมีความสงบมากกว่าเก่าและจากวุ้นวายปุ้งซ้านอะไรเนาะก็จะสงบแต่ทีนี้เนื่องจากว่าความไม่เที่ยงเนี่ยของสังขารทั้งหลายเนี่ยจะให้มันรู้กับพุโทโธตลอดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเผลอนะเผลออะไรก็เรียกบางทีพุโทโธไปแล้วก็มันหยุดเฉยเลยนะก็คือไม่รู้หยุดตอนไหนไม่รู้อย่างเนี้ยเท่ากับว่ามันแสดงความไม่เที่ยงของของคำว่าพุโทโธนะหรือบางทีพุโทโธยังอยู่แต่จิตรู้ไม่รู้มันไปไหนแล้วมันลอยไปไปคิดเรื่องอื่นก็ได้พุโทโธอยู่ก็เลยไม่รู้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์เขาเรียกว่า มันเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้าเร า, าปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยก็คือให้รู้อย่างที่ยมรู้นั่นแหละก็ศึกษามันไปว่าออพุทโธพุทโธอยู่บางทีพุทโธมันหายหรือบางทีไม่รู้ก็จะเห็นว่าอ๋อทั้งความคิดมันก็ไม่เที่ยงทั้งไอจิตรู้ที่มารู้พุทโธมันก็ไม่เที่ยงคือมีความรู้บ้างไม่รู้บ้างาพุทโธบ้างไม่พุทโธบ้างมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงเนาะ พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการหรอกเช่นถ้าจะให้เราต้องการอย่างที่โยมต้องการนะมันก็จะไม่เป็นไปตามนั้นเลยเพราะว่าความต้องการของเราเนี่ยคือมันเป็นมันมันไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงแต่มันเป็นอันตราตัวตนที่เราต้องการแบบนี้ปรากฏ ว, ว่าไม่เป็นไปตามที่ต้องการตรงนี้มันก็บ่งชี้ไ้เห็นว่าการต้องการเนี่ยแสดงว่ามีตัณหาขึ้นแล้ว มีตัณหาแล้วก็มีตัวเราเป็นผู้อยากได้ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจธร ร, รมะเนี่ยเราก็จะสับสนอยู่อย่างเนี้ยว่าทําไมเราทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จริงอ่ะธรรมชาติเนี่ยมันอยู่เหนือความเป็นเราใช่ไหมไอ้ได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นแหละคือธรรมชาติที่แท้จริงมันเป็นอย่างไงมันก็คือเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็ต้องเข้าใจอีกว่าแล้วใครเป็นผู้อยากใครล่ะเป็นผู้อยากจะได้บ้างอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าให้เห็นตัวเนี้ย ให้รู้ตัวเราว่าอ๋อมันมีตัวเราเป็นผู้อยากมีเราเป็นผู้ต้องการพอมารู้ตัวเราเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะรู้เลยว่าไอ้ตัวเราจริงๆอ่ะไอ้ตัวผู้อยากมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะบางทีมันอยากบางทีมันไม่อยากบางทีมันหลับมันก็ความเป็นตัวเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงนะเพราะมันมีเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วสุดท้ายมันก็หายไปทีเนี้ยถ้าพบตัวเราผู้อยากเนี่ยแล้วก็ต่อไปมันก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อ ไอตัวเราผู้อยากนี่แหละมันก็คือสังขารเหมือนกันเพราะนั้นทุกครั้งที่มีความอยากก็ให้มีสติรู้เท่าทันว่าในนั้นมีตัวเราแล้วแล้วก็ให้เห็นตัวเราเสียว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยวางมันไปปล่อยวางคือไม่ได้หลงผิดแล้วว่ามันมีตัวเราอยู่ที่แท้จริงเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยมันไม่มีเลยมีแต่สังขารเกิดดับเท่านั้นเพราะนั้นในการฝึกของโยมเนี่ยก็คือ ให้เลื่อนชั้นขึ้นมาอย่าเอาแต่สิ่งที่เราต้องการอย่าเอาแต่ควาสมสงบแต่ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมีแต่ความไม่เที่ยงเนาะแปรปวนอยู่ตลอดแล้วก็ในความไม่เที่ยงนั้นเนี่ยไม่มีเราเลยนะความไม่เที่ยงนั้นเขาเรียกว่าสังขารสังขารมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เขาเรียกว่าต่อยอดในทางปัญญาเพราะฉะนั้น พิกกับนิดเดียวว่าจากที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยยังให้ปฏิบัติเหมือนเดิมั่ะแหละแต่ให้พึงเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นสังขารไม่เที่ยงรวมถึงตัวเราผู้ปฏิบัติด้วยก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเหมือนกันให้รู้รอบรอบรู้แบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะพ้นทุกได้เร็วเพราะว่าเข้าใจหมดแล้วว่าทุกอย่างไม่ใช่เรานะทุกอย่างไม่ใช่เรามีแต่สังขารเกินดับเกินดับถ้าเข้าใจอ ย, อย่างเข้าใจถูกอย่างเนี้ยก็เรียกว่ามันเป็นปัญญาที่ก้าวกระโดด แล้วก็ให้เพียรทำทำแบบเดิมมันแหละนะไม่ได้อะไรแต่ว่าให้เข้าใจอย่างที่หลวงพ่อว่าแล้วสุดท้ายเมื่อเข้าใจถูกก็ไม่ได้ยึดถือสิ่งใดก็ให้มันเป็นไปอย่างนั้นแหละแล้วในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันก็ให้มีสติคือเพียร น, นะเพียรที่จะพิจารณาศึกษาว่าอะไรเกิดขึ้นก็เออรู้ว่ามันเกิดอะไรดับไปก็รู้ว่ามันดับรวมถึงไอตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้คอยดูอยู่เนี่ยคอยดูว่าอะไรเกิดอะไรดับ ในตัวเราที่ผู้ดูก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นโยนทิ้งหมดเลยคือไม่ยึดถือเนาะจะเดินจะนั่งก็ให้รู้สึกตัวให้รู้ตัวเรานี่แหละแล้วก็ทิ้งหมดทิ้งหมดรู้หมดทิ้งหมดรู้หมดทิ้งหมดอยู่ด้วยการปล่อยวางนะแต่ทํางานเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ยึดถืออะไรทําอะไรก็เหมือนเดิมแต่ไม่ยึดถืออะไรนี่คือเป็นหนทางที่ที่เร็วที่สุดแล้วเพราะเราไม่ได้ติดในสมาธิเราไม่ได้พยายามที่จะทําเป็นสมาธิไม่มีเราเป็นผู้ต้องทําอะไรมีแต่ ให้มีสติคือตื่นรู้แบบเนี้ไม่ต้องทำสมาธิลึกเอาแค่พอรับรู้อะไรได้แค่นั้นพอรับรู้อะไรได้ก็เห็นอาการต่างๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ได้แต่ดูเหมือนดูหนังดูละครเลยรวมถึงต้องเห็นไอ้ตัวผู้ดูด้วยนะผู้ดูก็คือตัวเราเนี่ยตัวผู้นั่งดูผู้เยินดูนี่แหละว่าไอ้ตัวนี้ก็ไม่เที่ยงโยนทิ้งเหมือนกันโดยเฉพาะโยนทิ้งไอ้ตัวผู้ดูผู้รู้เนี่ยตรงนี้สุดยอดแต่ส่วนมากเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะมีเราเป็นผู้ดูแล้วก็ เราเนี่ยไม่ยึดถือสิ่งที่เราไปรู้อย่างนี้มันก็ชาเพราะนั้นยึดปล่อยวางผู้รู้เลยผู้รู้ก็คือตัวเราเนี่ยที่รู้อะไรมาทั้งหมดนะโยนทิ้งหมดเพราะมันไม่เที่ยงเหมือนกันนะเราเป็นผู้รู้ทุกเรื่องเนี่ยผู้รู้ผู้รู้ทางโลกนี่เราเป็นผู้รู้โยนทิ้งหมดนะผู้รู้ในทางธรรมะนะรู้นู่นรู้นี่ทิ้งหมดแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ให้รู้คือรู้ได้แต่รู้สิ่งใดมา ไม่ยึดถืออย่างเนี้ยถือว่าพ้นกันจริงๆไม่รู้เข้าใจไหมเข้าเข้าใจครับอืม่โอเคสาธุขอบคุณครับค่ะสาธุค่ะก็วสวัสดีออนเย็นด้วยนะคะที่เข้ามาใหม่ค่ะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเล่าประสบการณ์ที่มันเป็นจุดที่เข้าใจเรื่องความพ้นทุกข์นะจริงๆความพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่า เเราไม่เข้าใจเองหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างนี้บางคนอาจจะได้ยินแล้วนะแต่ว่ า, ข, าขอขอคุณซ้ําเพื่อให้คนอื่นที่ไม่เคยได้ยินได้ยินด้วยคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าเวลาเห็นอะไรเนี่ยนะมันเห็นนะมันเห็นจริงเห็นนะการเห็นเนี่ยมีอยู่จริงแต่ไม่มีผู้เห็นไอ้คาเนี้ยคําเดียวเนี่ยที่ทําให้มันมันข้ามพ้นไปได้เพราะว่า มันแปลกตรงที่ว่าอาจารย์ทำไมพูดอย่างนี้ว่าไม่มีผู้เห็นเพราะความรู้สึกลึกๆของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าหัวชนขวาเลยว่าการที่จะเห็นอะไรก็ตามเราเป็นคนเห็นเรานี่แหละเป็นคนเห็นแต่อาจารย์บอกว่าไม่มีผู้เห็นแล้วอาจารย์ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาท่านบอกว่าเนี่ยท่านลองดูที่ไปยืนดูนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาที่แขวนที่ผนังนมันก็จะมีลูกตุ้มเนาะแปงไปแปงมาแปงไปแปงมาดูที่ นะแต่ไม่มีผู้เห็นเอาพอเป็นอย่างนี้เสร็จเราก็เถียงเลก็แหมเราก็ไปยืนดูอยู่ต่อหน้านาฬิกาจะไม่มีผู้เห็นได้ไงก็เรานี่แหละผู้ยืนนี่แหละคือผู้เห็นเออเพราะนั้นผู้เห็นคือผมนี่แหละคือตัวฉันนี่แหละตัวเรานี่แหละเป็นคนเห็นยังไงก็ยังยืนยันตามความคิดความเห็นของเราอยู่เนาะแต่ทีนี้ด้วยที่ว่าหลวงพ่อก็พิจารณาพอพิจารณาเนี่ยตอนขั้นพิจารณาเนี่ยจะหยุดใช้ความคิดนะ แต่ให้ใช้ตาดูไปที่ไปที่นาฬิกาแต่นาฬิกาที่ที่อาจารย์ว่ากับนาฬิกาที่เราดูเนี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันหรืออาจจะดูอย่างอื่นก็ได้นะแต่หลวงพ่อเนี่ยไปยืนดูจำไม่ได้ว่าดูอะไรแต่ก็ดูพอดูเสร็จแล้วเนี่ยเพ่งเนาะเขาเรียกว่าเพ่งไปเลยเพ่งไปดูสุดตัวเลยว่าไอนาฬิกาเนี่ยหรือที่หลวงพ่อดูเนี่ยมันเป็นสิ่งนั้นที่มีอยู่ก็ดูไปดูมาดูไปทุมา จนกระทั่งเห็นตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ดูนาฬิกาพอเห็นตัวเองปั๊บเนี่ยมันเกิดการเข้าใจเลยว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มาเห็นหลวงพ่อที่ยืนอยู่ไอสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นความรู้ใหม่ซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนพอเกิดภาวะอย่างเนี้ยก็เลยรู้จักว่าอ๋อไอสิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วมันรู้เราได้ว่าเราเนี่ยยืนอยู่ นะรู้เราได้ว่าเราเป็นผู้ดูนาลิกาพอเป็นอย่างนี้มันแยกได้ระหว่างตัวเรากับผู้รู้ตัวเราความแตกต่างก็คือตัวเราเนี่ยไอตัวเนี้ยที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยตัวผู้ยืนนี่นะไอเนี้ยเรารู้จักมาตั้งนานแล้วแหละว่าเออถ้าพูดถึงเรื่องสังขารไม่เที่ยงเราก็เข้าใจได้ว่าไอตัวเนี้ยก็คือสังขารไม่เที่ยงแล้วก็แก่เจ็บตายไปแต่ไอผู้ที่มาดูเราเนี่ยที่มาเห็นเราอะ มันคนละตัวกับเราแล้วไอ้ตัวนั่ะไอ้สิ่งนั้นน่ะมันไม่มีตัวมันมีแต่เห็นเราหรือว่ารู้เรา <het S 1> ก็เลยเข้าใจเลยว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันไม่ประกอบด้วยทุกข์เลย <het S 1> มันไม่มีทุกข์เพราะว่ามันไม่มีตัวปรากฏให้เป็นทุกข์มันมีแต่ความรู้เนาะมีแต่ความรู้ <het S 1> เพราะนั้นหลวงพ่อจึงแยกได้เลยว่าไอ้ตัวเราทั้งตัวนี่แหละคือตัวทุกข์แต่ไอ้ธรรมชาติที่รู้เราหรือว่าที่เห็นเราอะ่ะมันไม่มีทุกข์เลยมันได้แต่รู้แจ้งในตัวเรา พอเป็นอย่างเนี้ยมันแยกได้เด็ดขาดแยกด้วยปัญญาเลยว่าไอ้ตัวเรากับตัวนั้นมันเป็นคนลับสิ่งกันพอเป็นอย่างเนี้หลวงพ่อมีความค่าๆมันเกิดความชํานาญเลยหลวงหลวงพ่อจะเดินจะนั่งมันเห็นเราหมดเลยเนาะจะเดินจะนั่งจะนอนโอ้ยมันเห็นเราทั้งตัวเลยเห็นทั้งตัวแล้วตัวเรามีความสุขมีความทุกมันเห็นเราหมดเรารู้มันรู้เราหมดเลยตรงเนี้เกิดความเลยมันก็เกิดความมั่นใจขึ้นมาว่านี่แหละคือมรรคมรรสู่ความพ้นทุกข์ ทำไมจึงมั่นใจก็เพราะรู้ว่าทุกข์คือตัวเราคือขันห้าคือร่างกายจิตใจนี่คือตัวทุกแต่ไอธรรมชาติที่มารู้เราอ่ะมันไม่ใช่ขันห้าไงมันพ้นไปจากขันห้าแล้วมันเป็นภาวะที่หลุดที่พ้นออกไปเนี่ยมันเข้าใจด้วยปัญญาเลยว่าไอเ น, นี้ยแบบเนี้ยหลุดไอเ น, นี้ยคือพ้นพ้นอะไรพ้นจากตัวทุกอ๋ออย่างนี้ก็คือไอฟากนั้นหมายถึงว่าไอสิ่งนั้นอ่ะมันก็คือพ้นทุกเมื่อพ้นทุก์แล้วนี่ไงความพ้นทุกมีอยู่ความไม่เป็นทุกข์มีอยู่ มันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็เลยไม่สงสัยอะไรอีกแล้วว่าความทุกข์คืออย่างไงความไม่ทุกข์คืออย่างไงพอเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยที่ใช้อยู่ก็คือรู้ตัวเรารู้บ้างหลงบ้างก็ช่างมันแต่ถ้ารู้ตัวเราเมื่อไหร่มีปัญหากับตัวเราเมื่อไหร่ปับ๊บมันจ ะ, ฉะเฉลยทันทีเลยว่าเห็นทุกครู้ทุกก็เหมือนกับว่าอาทุกเกิดแล้วรู้แล้วทุกดับแล้วรู้แล้วเห็นแล้วคือมันจะแก้ปัญหาชีวิตได้ ก็กลายเป็นว่าชีวิตก็คือยังมีขันธ์ห้ายังเจ็บยังปวดยังร้อนยังหิวเหมือนเดิมแต่ผู้ทุกแต่หมายความว่าผู้ที่เห็นเราอ่ะมันไม่ทุกมันจึงรู้แจ้งในทุกขเพราะฉะนั้นมันไม่เดือดร้อนอะไรเลยพออยู่อย่างนี้ก็เท่ากับว่าสติปัญญาก็จะไปหลงอย่าไปหลงยึดถือตัวเราว่าว่าเป็นตัวเราอีกเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าไอ้ตัวเรานันเป็นตัวปลอมทําไมเรียกว่าตัวปลอมเพราะว่ามันไม่เที่ยง นะถ้ามันถ้ามันเป็นตัวจริงมันจะต้องเที่ยงคือมันจะต้องไม่แปรปรวนมันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงมันจะต้องคงที่แต่จากข้อเท็จจริงคือตัวเราทั้งตัวมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดจึงเรียกว่าไอตัวปลอมส่วนในธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยตัวจริงร้อยเซเพราะเหตุว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่มีตัวจะให้เปลี่ยนเป็นอะไรเพราะมันได้แต่รู้อย่างเดียวเท่านั้นมันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข ก็เลยพบว่าสัจจะความจริงที่พ้นจากทุกข์ได้ก็คือธรรมชาติที่รู้เราเพราะนั้นนะี่ยพอเป็นอย่างนี้หลวงพ่อเข้าใจเรื่องของที่พระพุทธเจ้าหรือว่าครูอาจารย์ท่านสอนบอกให้รู้ตัวรู้ตัวเมื่อก่อนไม่เข้าใจเพราะว่ารู้ตัวไม่เป็นคือเอาเราเนี่ยมารู้ตัวเราแต่เมื่อพบอย่างเนี้ยจะรู้เลยว่าคําว่ารู้ตัวเนี่ยตัวก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่รู้ไม่มีตัว หรือว่าเห็นรู้กับเห็นเนี่ยใช้แทนกันได้เลยคล้ายๆกันเห็นเราธรรมชาติที่เห็นเราก็ไม่มีตัวแต่เรามีตัวตัวเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่ธรรมชาติรู้หรือธรรมชาติเห็นนะมันไม่มีตัวที่จะเป็นทุกข์จริงๆเลยมั่นใจมั่นใจช น, นิดที่ไม่สงสัยเลยว่านี่แหละคือมรรคคือทางของความ พ, พ้นทุกข์รู้ตัวเมื่อใดพ้นทุกข์เมื่อนั้นลืมตัวเมื่อใดเข้าไปเป็นทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ย หลวงพ่อก็จึงเน้นนักเน้นนาเลยว่าให้พวกเราเนี่ยฝึกให้รู้ตัวให้เป็นรู้ตัวให้เป็นก็อย่างน้อยก็เอาเคสตัวอย่างของหลวงพ่อก็ลองไปทาดูก็ได้นะก็จะพบเลยว่าผู้เห็นเราผู้รู้เราไม่มีตัวนะแล้วหลวงพ่อก็มีคลิปที่ทำคลิปไว้สั้นๆเนี่ยตรงที่จอหัวไว้ในหัวขับนะเมื่อกี้เปลี่ยนของโยมจาก QR code มาเป็นตรงนี้ให้โยมเข้าไปเด ด, ดูใน youtube ดูว่า เออมันจะคล้อยตามในสิ่งที่หลวงพ่อพูดไหมคือหลวงพ่ อ, องี้หลวงพ่อทำคลิปสั้นๆ น, น, นะเนาะก็ถ่ายใต้ถุนของศาลาหัดรจทีนี้พอถ่ายเสร็จภาพหลวงพ่อเดินเนาะมันก็มีภาพกับเพื่อนดิเคลื่อนหลวงพ่อก็ถ่ายไปแล้วก็ดูไปก็จะเป็นอย่างงี้ก็คือว่าไอ้ภาพเคลื่อนเนี่ยก็เป็นสิ่งถูกรู้นะแล้วไอ้ตัวเราที่ที่เป็นผู้ดูเนี่ยมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ แต่ไม่ปรากฏเลยว่าไอ้ผู้รู้ผู้เห็นเราอะ่ะมันอยู่ที่ไหนมันเป็นความว่างจริงๆว่างคือมันไม่มีตัวตนไม่มีผู้รู้แต่ตัวเราเนี่ยเราเดินเนี่ยมันก็รู้เราไอ้ภาพเคลื่อนไหวมันก็เป็นสิ่งถูกรู้โอ้อย่างนี้แหละมันถึงเขาบอกว่ารู้หรือว่าที่เขาบอกว่าเห็นแต่ไม่มีผู้เห็นเนี่ยใช่เลยไม่มีผู้เห็นคือไม่มีตัวผู้เห็นมีแต่การเห็นอจะเรียกว่าสักแต่ว่าเห็นก็ได้ พอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มมีความชำนาญชัดเจนยิ่งขึ้นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ตลอดไปแหละเนี่ยจะตายจะไม่ตายเข้าห้องไอซูเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกรู้หมดแต่ไอ้ผู้รู้ผู้เห็นมันไม่ได้ป่วยด้วยมันไม่ได้ตายด้วยแล้วมันมีอยู่ทุกขนทุกแห่งเราไปอยู่ที่ไหนมันก็รู้หมดนะเราเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวสังขารเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันรู้เราหมดตอนนี้เรานั่งอยู่ที่นี่มันก็รู้เราว่าเราอยู่ที่นี่ เราลุกขึ้นยืนมันก็รู้ว่าเราลุกขึ้นยืนเราย้ายจากตรงนี้ไปอยู่ตรงน้นมันก็รู้เราหมดเลยก็ที่เขาบอกว่ารู้เนี่ยมีอยู่ทุกขนทุกแห่งโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเขาเรียกว่าก่อนตายเนี่ยก่อนตายหมายถึงว่าไอ้ตัวเราเนี่ยสังขาร ย, ยังไม่แตกดับอ น, นะการเรียนธรรมะเนี่ยคือต้องเรียนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตายแล้วมันเรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้คาว่ารู้เนี่ยมีอยู่ทุกขนทุกแห่งหลวงพ่อก็เลยเข้าใจว่าอ๋อ เราไปอยู่ที่ไหนมันรู้หมดมันไม่ใช่ว่าตอนเราอยู่บ้านนะมันรู้ว่าเราอยู่บ้านพอเราออกจากบ้านมันไม่รู้ไม่ใช่เราไปอยู่ที่ไหนมันรู้หมดหลวงพ่อก็เลยลงใจใจว่ารู้เนี่ยมีอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่ไม่ปรากฏตัวผู้รู้โยมลงไปดูคลิปดูนะอาจจะเก็ทก็ได้ไม่เก็ทก็ได้แล้วแต่เพราะว่าไม่ได้บรรยายอะไรเนาะก็ได้แต่เห็นว่าเออมันเห็นอยู่แต่ไม่มีผู้เห็น